เมื่อโลกนี้รายแสงแห่งอาทิตย์ก็มืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็น เป็นศิษย์ใกล้ชิดของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตหลวงปู่สีโหเป็นศิษย์รุ่นเดียวกันกับพระอาจารย์ หลวงปู่สีโหเป็นพระผู้ศักดิ์สิทธิ์เคร่งครัดในพระธรรมวินัย การอยู่วัดนี่ย่อมจะใกล้ชิดคลุกคลีๆตามป่าเขาลํานาวไพรดี พระอาจารย์ยี่รกเป็นพระธุดงค์ผู้มีญาณแก่กล้าเคยธุดงค์ นำพระฟิกสุสำเนEvery yepฮะเนuurจํานวนมาก จัดเป็นกองทัพธรรมออกเพรอแพร Lok Ос цы แล้วก็ให้พระอาจารย์สีโหไปเผยแผ่ที่อำเภอมันจาคิรีสมัยนั้นหลวงปู่สีโหยังหนุ่มแน่นแต่ก็มีชื่อเสียงในทางวิปัสสนากรรมฐานมากได้รับการยกย่องจากพระอาจารย์มันหลวงปู่สีโหพร้อมด้วยพระทุโดง 5 6 รูปก็ยึดเอาป่าช้าแห่งหนึ่งในอำเภอมันจาคิรีเป็น ไม่เคารพเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเลยเห็นพระเป็นศัตรูไปหมดเพราะว่าเป็นที่เลื่องลือในสมัยนั้นว่าคณะ ชาวบ้านผ่านไปมาทําอะไรผิดเล็กๆน้อยๆเป็นต้นว่าขาดความเคารพนบๆเข้าเข้าไปเก็บเห็ดหรือว่าผักหญ้า นับถือผีมีความเกรงกลัวไร้ เล่นพนันเบี้ยโบกเมื่อผิดใจกันก็ตีรันฟัน ก็เลยพาพระทุดงในคณะลงไป คล้ายๆก็มีฝูงวัวฝูงควายเป็นร้อยเป็นพันอีดอีถางจุกก้นแสดงความเกรงกลัวในเสียงประหลาด ยังประกวดเสียงร้องห่มร้องไห้กันหวนรำพันเหล่านี้ ปืนคาบศิลานคนละกระบอกด้วยความโกรธแค้นน่ะมุ่ง แต่ปรากฏว่าทุกคนก้าวขาไม่ออกคล้ายๆมี ทำให้คนเหล่านั้นสามารถลุกขึ้นเดินเหินๆแต่ถ้าว่ามีข้ออัดข้อจาก ให้เอาซายไปหวานทั่วบริเวณหมู่บ้านเอาทรายไปหว่านทั่วบริเวณหมู่บ้านปรากฏว่าคืนนั้นเหตุการณ์ อยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้ไม่ขัดศรัทธาเพื่อจะช่วยชาวๆใน ในสมัยนั้นชาวบ้านนับเช่นพระซื้อม้าวัว ของส่วนตัวเป็นทุนในการ ทำให้กุลบุตรที่เข้ามาบวชเรียนก็พลอยหลง กลายเป็นอลัจฉีไม่มีความละอายใจ ทั้งชาววัดและชาวบ้านจะๆก็ตามได้กุศล เพราะการจะได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากมาก ถ้าใครอยากได้บุญมากไปสวรรค์วิมานหรือ คณะอาจารย์คําดีอาจารย์กงมาและณที่ใดสถานที่นั้นก็จะต้องกลายเป็น ขณะหลงปู่สีหจะริกธุดงมาทางโครราชได้แวะเยี่ยมพระจารย์ฟั้นอาจรที่ปักหลดจํารรศาอยู่ในปราชาวัดป่าสัธาธรรมใกล้มนทนทหารบกโครราชมีลูกสิทธ์ลูกหามากมายเช่นจอมพผินชุนวันพเอกหลวงหารสงครามเป็นต้นหลงปู่สีโหพักอยู่กับราจารย์ฟั้นช่วระยะหนึ่งก็ลาไป ต่อจากนั้นก็จะไปยัง ชาวบ้านมองเห็นกรถของหลวงปู่สีโหก็พากันนำน้ำร้อนน้ำอ้อยน้ำตาล หลวงปู่ก็มีจิตเมตตาให้ 23 ศพ ทั้งราชการและชาวบ้านก็พยายามดักซุ่มยิงครั้ง ตอบฉันเมตตาจิตว่าเมื่อเป็นภทุดงเต็มๆทั้งสิ้นท่อง หากพร้อมที่จะตายทุกเมื่อท่านเองจะตายลงเมื่อใดก็มีความ รีบกลับเข้าหมู่บ้านด้วยความหวาดกลัวช้างป่าดุร้ายเชือกนั้นทุกคนมีสีหน้าเป็นทุกข์เป็นห่วงหลวงปู่สีโหก หลวงปู่ก็รู้สึกว่ามีเสียงแผ่วๆคล้ายๆถูกรัดร่างหลวง เพื่อจะให้กระดูกแหลกเหลวต่อจากนั้น กิเลสทั้งหลายที่หุ้มห่อดวงจิตอยู่ก็จะ จะไปโกรธด้วยความเมตตามันไม่ได้มีแต่ ปล่อยให้งูเหลื่อมรัดขึ้นมาจนถึงหน้าอกจนกระทั่งรู้สึกอึด อาตมาอุทิศร่างให้เป็นทาน ทอดหัวใหญ่โตสงบนิ่งจ้องสายตาวาวดูท่าน หากยึดถือศีลบริสุทธิ์แค่ศีล 5 ถ้าบุญบารมีเก่าข้ามห้วงโอกคสงสารคือการเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในโลกนี้การเวียน แสดงว่าคำเทศของท่านศักดิ์สิทธิ์สามารถดล เมื่องูเหลื่อมไปแล้วหลวงปู่สีโห 4 แผ่เมตตา จงอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสันติสุขเสร็จแล้วๆแตรยักษ์ชวนให้ ท่านก็เปิดปลดออกให้กว้างเพื่อมองดู หลวงปู่ท่านก็นึกในใจว่าเห็นจะเป็นไอ้ตาเดียวนั่นแหละ เตรียมจะทะยานเข้าใส่เต็มที่หมายจะล้างผลาญชีวิต ดังนั้นความดุร้ายของมันก็เพิ่มขึ้นทวีคูณอย่างไม่ต้องสงสัยครั้นแล้วมันก็พุ่งเข้ามาตีนทั้ง 4 ก็ย่ําพื้นพระสุทธาจนสะเทือนยอกยอกเหมือนจะถล่มทลายหลวงปู่จ้องตามันไม่สะทกสะท้านเปี่ยมด้วยเมตตาธรรมถือว่าชีวิตมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายย่อมมีความตาย หลวงปู่เห็นสังขารทั้งหลายเป็นของน่าเกลียด เจ้าช้างพิษคราชพอมาถึงก็ใช้งวงกระชากโลดหลงปู่ขึ้นสูงแล้วเหวี่ยงทิ้งไปตกอยู่ อ่าทำได้ตามใจชอบไม่ขัด แต่น่าแปลกที่มันไม่สามารถจะยกร่างหลวงปู่ อ่าไฟป่าอันร้อนแรงลวกจนสุก เมื่อเห็นมนุษย์ที่ไหนโอ้เวรกรรมเนาะมีหนำซ้ำเจ้ายัง ร่างกายของเราจึงหนักอึ้งเหมือนกับภูเขาหินแล้วก็ๆนมัสการอ่า เหมือนขอขมาลาโทษเสร็จแล้วทั้งก็บอกว่าปู่สีโหก็ เจ้าจะหาจากทุกขเวทนาด้วยประการทั้งปวงๆอ่ามีน้ํา อาการเจ็บปวดรวดราวอย่าง ก็ด้วยอํานาจคุณวิเศษของหลวง หลวงปู่ก็ปักกดใหม่ให้เรียบร้อยแล้วก็ ถามท่านเอาเรื่องเอาราวหลวงปู่ก็ได้แต่หัวเราะบอกว่าไม่ หากว่าที่ช้างไม่ทําอันตรายเอานั้น หลวงปู่ไม่อาจรับสนองความ เพราะว่าจะมีน้อยครั้งนัก การเข้าฌานสมาบัติในตอนกลาง ถ้าเห็นมีพระทุโดงผ่านมาจงพยายามทําบุญสักบาท ศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศขอเชิญท่านทั้งหลาย 4ส8770 ครับ 0884464ส ด